มีมนต์ตั้งใจฟังที่เขามาประชุมกันในขณะนี้พามาพูดกันเรื่องการปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนั้นควมคิดกลมเห็นหรือกลมตั้งใจไว้นั้นอาจจะบูมเหมือนกัน นั่งขอมปฏิบัติกันซึ่งก็เหมือนกันเมื่อพูดคำ บ, บ่าเหมือนกันแล้วเรามาพูดกันเรื่องการเห็นธรรมการเห็นธรรมนั่นบางคนต้องนั่งหรือนอนหลับตาพิจารณาแล้วเห็นสีแสงสีเทวดานรกสวรรค์ เปรตหรือสัตว์เบลาสารไปอย่างนั้นการเห็นอย่างนั้นเห็นด้วยผมเพอฝันไปนึกคิดปรก็เห็นไปอันนั้นบทถูกต้องตามแนวคำสอนของพระเจ้าเพราะว่ามืนตาขึ้นแล้วบวเห็นอันนั้นเรียกว่าเป็นกิเลส เพราะเราบวเห็นความคิดของเรามันนึกมันคิดขึ้นเราบวเห็นเป็นการที่ให้กิเลสมาลอกลวงลือ่าตกหน้าเราก็ได้อันนั้นว่าไม่เห็นธรรมการเห็นธรรมด้วยสติปัญญาการเจริญนิพพานาจริงๆแล้วมันตรงกันข้าม <c oughs> มันต้องเห็นตัวเหาเห็นรูปเห็นน้ำรู้จับรูปรู้จับน้ำอันนี้เห็นตัวเหาจริงๆมืนตาเบ่งเห็นแทนในขณะที่กําลังทำพูดคิดการงานต่างๆนั่นเรากําลังทำอยู่อันนั้นเรียกว่าเหตุทำ คำว่าทำทำคำนี้เราเคยพูดเคยว่ากันอยู่ทำดีทำซัวเราต้องเห็นในขณะที่เราทำดีทำซัวนั้นหรือบททำดีทำซัวเราก็ต้องเห็นอันนี้เห็นธรรมด้วยสติปัญญาต้องเห็นไปอย่างนี้เห็นแล้วก็ต้องแน่นอนที่สุด <c oughs> บม่เปลี่ยนแปลงไปยังอื่นไปได้อันนี้เห็นธรรมแท้ ฉะนั้นเรื่งว่ามันตรงกันข้ามอันนึงเห็นด้วยความเพอ้อฝันอันนึงเห็นด้วยสติีปัญญาตามเท่าที่ผมได้ทํามาอันนี้แต่ก็นั้นเข้าใจว่ามันเป็นทางสันติเหตบัดเมื่อมาเข้าใจธรรมะตามแนวคําสอนของพระเจ้าจริงๆนะบัวแม่ต้องเห็นตัวเหล่านี้เองอันเห็นซึ่งนั้นมันเป็นกิเลส แล้วครูบาอาจารย์ทั้าปวเห็นธรรมได้ยานบอกอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเป็นเรื่องของคนที่บกเข้าใจมันแมงนควมคิดเอาซื่อๆมันบนเป็นของจริงถ้าของจริงแล้วต้องเห็นตัวเราแท้ๆ <c oughs> เราจีนนั่งก็เห็นจีนอนก็เห็นเดินก็เห็นไปไสมาไสเห็นเราอยู่นี่แหละนี่เรียกว่าเราเห็นแท้ๆนี่เห็นธรรม ถ้าเห็นส่วนรูปนามรูปกายภายนอกนี่เรียกว่าเห็นธรรมสั้นเปลือกมันเห็นเรามีสติก <co ff danach> ํา oh ล so <athlete> ังทําพูดคิดเมื่อเห็นส่วนลึกเข้าไปเห็นส่วนกําลังมันนึกมันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจอันนั้เห็นไปส่วนลึกเข้าไป เมื่อเราเห็นทำอย่างนี้เลยกําลังทําพูดคิดถ้ามันเป็นความซัวเราก็ต้องเอาสนะบดเห็ุบดทาไปตามความคิดที่ซัวซัวคมคิดไฟต่ำนะบดเหตุความคิดไปต่านั้นพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นกิเลสคำว่าเป็นกิเลสนั้นมันเป็นทุกข์คุณว่ามันเป็นโทสะโมหะโลภะ เมื่อเป็นโทสะโมหะโลภะแล้วมันนําทุกข์มาให้คนเหากวนสิโกดผู้อื่นหรือทิ่ทาผิดนั้นเหาบุได้เห็นตัวเห่าในบุได้เห็นจิตเห็นใจของเหากําลังนึกกําลังคิดนั้นเมื่อเหาเห็นตัวเหาอยู่กําลังสิโกดเหาก็รู้จักว่าตัวของสิโกดเหากับวลท้องโกดเมื่อเหาเห็นจิตใจเหากําลังนึกกําลังคิดอยู่ มันกระยุบอันนี้เป็นว่าเห็นแล้วก็หูแล้วก็เข้าใจเห็นทำได้แท้อันเห็นทำแบบนี้ต้องเห็นตามแบบพระพุทธเจ้าเขาเคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าศึกษาและปฏิบัติธรรมธรรมะนั้นมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าแล้วเขาว่ามีก่อนพระพุทธเจ้าแล้วมันก็คล้ายๆคืออันคนเราเกิดมาแล้วมันก็ต้องมี ลูกมีนามหรือมีกายหรือมีจิตมีใจแต่นั้นคนเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องมีจิตมีใจอันจิตอันใจเ้อนี้แหละมันมีมากรแล้วแต่ว่าเราโบกเคยได้เบื้องตัวเห่าจา๊กเกือไปเบื้องพุ่นการทำดีทำชั่วของคนอื่นเป็นอะไรไปคอยตำหนิหรือจับผิดคนอื่นอยู่เป็นอะไร ฉะนั้นคนจึงอ่ะโบ้เคยได้เห็นตัวเองบางคนอายุหลุดจากท้องแม่มาเก้าปีสิบปีร้อยปีก็นมนียังตายโบ้เคยได้เบิ้งลูกเบิ้องนามโบ้เคยได้เบื้องจิตเบื้องใจตัวเองจาอ้าเกลือตายทิ้งไปโบ้มีประโยชน์ไหมอย่างการมาเกิดเป็นคนหรือว่าขาดทุนในการมาเกิดเป็นคน บางคนกระชันได้เบื้องขื้นหนึ่งสองคื่อเท่านั้นตายไปกับนี้ดังนั้นเขามาประสมกันหรือมาฝุดฝุปนอบรมกั น, กนเขาต้องพยายามเบื้องจิตเบื้องใจเขาถ้าหากเขาได้เห็นจิตใจเขากาลังนึกกาลังคิดอยู่เนี่ยอันนี้แหละคุณว่าความเห็นอันจิตใจเล็กเล็ ก, ล ก, ลกน้อยเนี่ย มันสามารถที่จะทําความสว่างให้ภายในจิตใจเขาแต่พวาจิตใจเขามันมืดบอดอยู่เมื่อเขามาทําความคิดความเห็นความเข้าใจอันน้อยๆ อ, อ, อันนี้เหลย่ยมันสามารถที่จะไล่ความมืดไปได้น <c oughs> รือว่ามันสามารถที่จะไล่ความหลงผิดไปได้ความมืดนั้นบอกเป็นมืดคือยังเห่า อย่างเดินทางบนรถไฟในโมแมนต์ยังนั้นความมืดอันนี้หมายถึงเราโบเห็นจิต่บเห็นใจเขาความจริงแล้วจิตใจของเขาหรือของคนทุกคนจะเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งอังกฤษคนอเมริกาก็ตา่าหรือเป็นผู้หญิงผู้สายก็ตา่าจิตใจของคนทุกคนนั้น มันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้วพระอาหกระเผว่าจิตใจของมันบรสุทรปกมันบริสุทธิรปกคำว่สว่างนั่นก็หมายถึงการเห็นแจ้งเห็นอันไหนก็เห็นชีวิตจิตใจของเขานี่แหละเห็นแจ้งอยู่คำว่าสงบนั่นก็หมายถึงว่าพอแล้วหยุดแล้วโบไปศึกษาเล่าเรียนอันไดอีกตืมแล้วเพราะมันมีเท่านี้ ทำให้คนเป็นทุกข์ทำให้คนบุญีทุกข์นั้นเราต้องเห็นอยู่ทีนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่มสอนเอาไว้อันท่าในขณะที่เหาบัเห็นจิตเหติใจเหานั้นคลายท้ายคือเมฆหรือฟ้าเอาวานมันบังแสงตะเวนไี่ไรแสงผานทีไ่ไ้ความสว่างของ ตะเวนเนี่ยมันเลยบทซองมาให้เาอาเข็ดคืนโลกนี้ได้มั่นเป็นเหรจ๊ะนั้นพระบรเจ้าคจึงวัดทรงกันข้ามในขณะใดที่เราบรเห็นจิตบรเห็นใจบริห็นชีวิตของเขานั้นเฟินเอื้อนว่าคนบุญมีสติหรือว่าคนมีกิเลสหลายกันว่าได้ในขณะนั้นแหละกิเลสมันเข้ามาครอบงำอยู่ภายในจิตใจของเแต่ส่วนจิตใจของเขานั้นมันบ่ิได้เป็นอย่าง แล้วเขากระเพอฝัดทำไปตามกิเลสอันนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนมาให้เขามีสติให้รู้จักให้เห็นแจ้งในตัวเขาเหตุธรรมะต้องเห็นตัวเขานี่พระพุทธเจ้าคนเห็นอย่างซีเมื่อให้นังซีแล้วก็ไล่ขมโคตรมโลกขมหลงออกได้ขมจริงขมโกคตรมโลกขมหลงนั้นกับเได้มีอยู่ที่เขา มันวูบเข้ามาขาวเดียวคล้ายๆคือน้ําแข็งก็ว่าได้น้ําแข็งนี่เขาทําให้เป็นก้อนขึ้นมาได้แต่มันก็โบทนฐานอยู่ได้น้าแข็งนั่นก็ได้เมื่อทึกแดดทึบลมเข้ามาน้ําแข็งก็ละลายไปตามเดิมเป็นน้ําไปตามเดิมแต่น้ำข่มโอดข่มโลกข่มหลงนี่ก็คือกันมันโบได้ตั้งอยู่นานมันเป็นวูบเดียวเท่านั้น เมื่อมันเห่าบ่อยเห็นควรมันเกือดมันเป็นขึ้นมันก็เรียกว่ามันตกน้าเหาก็ไดหรืออุปมาอีกอย่างหนึ่งคลายคือรถยนต์แลนไปมันวิ่งไปตามถนนถ้าบนไหนพวมีได้ลาะอย่างหรือบ้ได้เหตคนปิดไว้ที่ฟุ้นที่มันแลนตามก้นรถยนต์นะเมื่อบุมีรถยนต์ไปที่ฟุ้นมันบ้ไงขึ้นมามันโบ้ปิ้วขึ้นมาพอดีรถยนต์ ปื้อแปลงสิที่พุ้นมันแลนตามก้นรถยนต์ใส่ฉะนั้นองค์คมคิดคมโกดผมโลกคมหนุนก็เป็นวูบเดียวเท่านั้นเราคอยทำไปตามมันพระพุทธเจ้าควรสอนให้เหาเห็นให้หาเข้าใจคิตใจของเหาให้รู้เทา่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จกกับกกอัตนะเหมือนได้อันนี้นี่การเห็นทำต้องเห็นมาในรูปนี้ มันบุได้ต้องเห็นไปอย่างอื่นหรือเขาจะเห็นในอุปมาหลายอย่างอย่างที่ลมถัดตน้นไม้ลมมันไปหอดไส้แล้วผู้บูักใบไม้นะค้อยปลิวไปตามลมไปอันนี้ก็คือกันมันบุได้อยู่โดนมันเป็นรูปเดียวเท่านั้นแต่เขาก็เลยทำพูดคิดไปตามอารมณ์ายตา่า พระบริจาคก็เลยว่ามันเป็นกิเลสคําว่ากิเลสนี่มันเป็นทุกข์พระบริจาคคุณสอนว่ามันเป็นทุกข์ลองพยายามทําตัวของตัวให้มีสติให้มีปัญญามองเห็นจิตเห็นใจของเทาให้รู้เทารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จกกัจ ก, ก, จกอัสนะมันได้เมื่อเทา เหตย้อนซีการคิดของหงส์จีได้เห็นทันทีว่าสิ่งสิ่งนี้มันเป็นทุกข์สิ่งสิ่งนี้มันเป็นกิเลสของจะได้เห็นทันทีเมื่อเราเห็นแน้วความคิดสึงนั้นแหละเลยปรุงไปโบไดอันนี้ความจริงพระบริจาต้องรู้มาอย่งนี้และผมเข้าใจผมกล่าเข้าใจว่าเป็นอย่างพิจิตริ่งแล้วคนเรือโบได้เข้าใจใส่เรือโได้เอาใจใส่โบได้กลับมาเบิงตัวเอง กลับไปเบิ้งผู้อื่นทำพูดคิดหรือเบื้งรถเบื้องรอเบื้งเกียนเบื้องให้เบื้งนาเบิ้งลูกเบื้งหลานเบิ้งไปพูนบได้กลับมาเบื้องตัวเองจ้าเกลือเมื่อบได้กลับมาเบิ้งตัวเองกับเป็นคนลืมตัวเป็นคนหลงตัวไปคอยเบิ้งแต่ผู้อื่นอันนี้พระบริจาวคเป็นคนที่ มีกิเลสหรือว่าเป็นอาสวะเป็นว่าคำว่าอาสวะที่ได้หมายถึงว่ากิเลสนั่นแหละควมเดียวกันกับกิเลสยานั้นเขามายูนย่นํากันมาฝึกฝนอบรมเรียกว่าเขาจะมาเจริญนิพพานาว่าท่านคาว่าจเจริญนิพพานานั้นวิพพานากับเป็นเสถียงของเราที่ซื้อนิพนาก็หมายถึงการเห็นแจ้ง เห็นแจ้งอันใดวะท่นวิปัสนาวิปัสสนานั้นมันเป็นซื้อคําเบาเป็นภาษาบาลีหรือภาษาธรรมะคนว่าตามภาษาบ้านเห่าแล้วกับวิปัสสนานั้นแปลว่าการเห็นแจ้งเมื่อเห็นแจ้งนะคุณต้องต่างเก่าล่วงภาวะเดิมเห็นแจ้งอันไหนท่นเห็นแจ้งตัวเหา่ากําลังทํกำกําลังพูดกําลังคิดเห็นแจ้งอันนี้ บ้้งเก้าตันแ่กกรบูจินบอกเขาใจไว้เตี้งสีล่วงภาวะเดิมมันแต่ก่อนนั้นเคยไหว้ผีเคยไหว้เทวดาเคยเลิ้นการพนนั้นเคยกินเล้าเคยสูต้ติน่นกินกันตาแถวมากดูยามูนีนะเคยเห็นไปมูนีแหละเมื่อเห็นว่าโอ สิ่งที่มันอยากกินเหล้าอยากแขวมากอยากดูดยาอยากเล่นการพนันกินกันซาเฮโรอีนอยากไปดูหนังดูเล่เกละครนั้นมันเป็นกิเลสเด้เขาก็จะได้เห็นอย่งนี้โตจิตใจของเขาจริงๆแล้วมันมันยู่เป็นปกติเด้มันบ่ได้ไปอยากไปอย่างเด้มันสะอาดมันสว่างมันสงบโยโอ ที่มันเกิดขึ้นมาวูบเดียวเท่านั้นเราไปแล้วเราบุได้เห็นมันอันนี้พระพุทธเจ้าพูดว่ามันผูกกิเลสชอบงอมจิตใจอยู่คำว่าภาษาเฮาก็ต้องว่ากิเลสมันตกหน้าออกเมื่อกิเลสตกหน้าแล้วคนก็ต้องไปตามกิเลสเพราะว่าเอาชนะกิเลสบุได้ให้กิเลสเป็นนายอยันนี้พิรุวาจาันท์ฉะนั้นเฮาต้องเป็นนายกิเลส เป็นผู้มีอำนาจเหนือกิเลสไปได้ด้วยสติปัญญาด้วยการเจริญนิพพานด้วยการเห็นแจ้งเมื่อเขาเห็นอย่างนี้แหละกิเลสอยู่มันมันบุกเข้ามามันบุกเข้ามาจริงๆเมื่อเขาเห็นกิเลสอยู่สิอุปมาคือเาอาอุปมาคือคล้ายๆคือเอาที่ต้องการผลสว่าง เขาบอ เ, เคยใส่ไฟฟ้าใฟฟาทาาาปปไไ้คนก็เคยใส่ไฟฟ้านี่ไปติดไฟฟ้าทําตอนเตากระต่างตอนเย็นกระตางแต่เปิดไฟไปคนก็เคยใส่ไฟฟ้ามันก็เลยบุงงมาจากวิธีใส่ไฟฟ้าเห็นความสว่างอยู่กับหลอดไฟฟ้ามันก็จีไปจับทิกปีนหมุน ล, ลอดไฟเย่างนะคล้องเอาความสว่างหรือต้องการเอาแสงสว่างเกิดขึ้น คนสว่างนั้นโบกเกิดขึ้นใ น, นเหตุเฮตจนตายกับโบกเกิดแปลว่าเฮ็ดเฮตโบถูกจุดบูรู้จักต้นเหตุสมุานของไฟหรือกำเนิดของไฟเกิดมันโบได้ไปเกิดอยู่กับลอดไฟต้นเหตุสมุทรกำเนิดของมันนั้นอยู่โตวสวิตไฟฟ้าที่อยู่สวิตเอาไปจับที่ผับมันไปทําคนสว่างอยู่คุณ เป็นดังนั้นคนที่สลัดแล้วเขาไปไสไฟฟ้านั้นไปจุดไฟฟ้าเขาจิ้วไปจับหลอดคุณเขาจิมาจับสวีทิดกดเขามันจะไปทำข่มสว่างอยู่คุณอาการปฏิบัติปัสจนานี่ก็คือไก่ถ้าหากว่าเขาสลาดัดเขารู้เขาเห็นเขาเข้าใจตามแบบพระพุทธเจ้าแล้วค่มโกดค่มโลภค่มหลงนั้นมันไม่ได้มีอยู่ที่เรา ความทุกประเทศนั้นเหมือนก็ได้มาอยู่ที่เราเฮาต้องการอยากจัดการกับความโกรธความโลภความหลงนี้ไล่มันออกไปเฮาบ่งว่าจากวิธีวันนี้เขาก็ไปเจริญกรรมฐานหรือวิปัสสนาไปนั่งหลับตาลือนอนหลับตาภาวนาอยู่อยากให้มันสงบเที่ความจริงอันนั้นสงบอยู่ความสงบแบบนั้นบนเรื่อการเห็นแก้ง ความสงบแบบนั้นสงบแบบอยู่ในทัพในขณะที่เราอยู่ในทัพนั้นเราจีว่าเราเห็นทัพบ่เห็นอยู่ในทัพ น, นั้นมันบ่อยเห็นทัพเมื่อเหาจุดไฟขึ้นขวมมืดมันก็หายไปแต่มันอยู่ในขวมมือท่านเขาเหาไฟเ ห, าห่ามอดปั๊บขวมมืดเข้ามาแทนทีทันทีมาเ น, น่เหา่าออกจากทัพ ม, มา บทต้องอ่านใต้ไ่ายะไดมาอยู่นอกทรามดิเห็นในทรรมเห็นนอกทรรมเห็นมดทุกแง่ทุกมุมความสงบแบบนี้มันบ้แมนสงบแบบอยู่ในธรรมอันนี้มันโบ้แมนความสงบนนี้อันนี้มันเป็นการเห็นแจ้งคำว่าความสงบนั้นจึงมีอยู่สองอย่างความสงบแบบอยู่ในธรํมนั้นสงบแบบหนึ่งสงบแบบบุหิต แบบบูงจากทร้มสงบ แ, แบบนอกธรรมนี่มันบริเวณความสงบแบบแบบนี้เหมือนเป็นการเห็นแจ้งคําว่าเห็นแจ้งนี่มันเป็นแบบสงบอันหนึ่งสงบอันใดสิงสงบจากโทสะโมหะโลคะสงบจากคอมลงผิดสงบเพราะการเห็นแจ้งอันนี้จึงว่าบริเความสงบกับวาระหรือม่เอาบร่เความสงบกับวาระ สงบแบบนี้บ่มีกิเลสเพราะเห็นกิเลสอยู่เสมอพริพุทธเจ้นสอนมาแบบนี้แต่เขาก็ต้องการอยู่ต้องการความสงบแต่เรารู้รู้จักวิธีที่จะไปจับสวิตไ ฟ, ฟเท่านั้นเมื่อเขารู้จักวิธีจับสวิตไ ฟ, ฟแล้วถึงเวลามาเขาต้องไปจับสวิตมันกดปั๊บ มันไปทำาลมสว่างอยู่หลอดคนโหลอดอันนี้ก็คือกันเมื่อเขาเจริญวิปัสนาแบบถูกต้องแล้วว่าจะมีคนพูดขึ้นมาดีกระซางสั่วกระตามสติปัญญาของเขาเนี่ยมันที่ไวที่สุดคายพายคือแมวกับหนูหนูนั่นมันที่ไวขนาดใดกระตากสางแม่มันคอยจ้องอยนสนัะ พอดีหนูโดดมาแมวมาตะคุบจับปั๊บหลดพอดีจับแล้วสิหนูมันสะดุดใจคล้ายๆคือคนใจขาดนี่แหละตายคืนกันวะได้พอดีแมวจับปับ๊บใจมันขาดหลดหนูเลือดเหมือนบุรี่เพราะมันตกใจหลายเพราะแมวจับมันบ่เคยให้แมวจับเถอ เมื่อแมวจับแล้วเลือดหนูมันโบวิง้งแมวกิบหนูจึงบบมีเลือดอันนี้ก็คือกันเมื่อเขาคอยเบื่งองยองซีอยู่พอได้มันคิดปับ๊บความคิดมันจะถูกหยุดทันทีพอเอาเห็นแย้งรู้จริงรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จกกัจ ก, ก, จากอาชนะมันได้แล้วจิตใจเขาก็เลยบ้ได้ทุกข์ปุ่งแต่งบ้มีกิเลส นี่พระพุทธเจ้าคุสนสดสดมาแบบนี้ฉะนั้นการเห็นแจ้งอย่างนี้เลยมันเป็นบุญมันเป็นกุศลอย่างสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเหนือที่พูดอีกอย่างหนึง่งเรียกว่าเห็นธรรมกับว่าได้เห็นธรรมยังใดสินเห็นธรรมส่วนนอกคือเห็นรูปเห็นนาม หรือเห็นกำลังทากำลังพูดกำลังคิดอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเห็นกำลังจิตใจนึกคิดขึ้นมานั่นอีกส่วนหนึ่งเพราะจิตใจด้านมันว่าเป็นตนว่าเป็นตมองว่าเห็นด้วยตาเห็นด้วยสติปัญญาเพิ่นว่าอินทรีแหลมคมเพิ่นะวางกันจักสู่อินทรีอินทรีแหลมคม รู้เทา่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก่รู้จักอาสนะได้อันนี้เป็นว่าธรรมะส่วนลึกเสริญธรรมะส่วนนี้แหละคนทุกคนเกิดมากันมีแล้วมีอยู่ในคนทุกๆคนบนยกเพราะพระรเจ้าจึงมาธรรมะนั้นมันมีอยู่ก่อนแล้วใครใครคือคนเขาเกิดมามันของที่ควม้มหรือเกิดมาแล้วมันคว้มน้าอยู่กัได้หรือของที่ควม้ม บ่วมีผู้ใดซิมมาง่ายหน้าขึ้นมาได้และคลองที่ปิดบ่วมีผู้ใดมาไขได้พระพุทธเจ้าของเห่านี่แหละมาเปิดหน้าขึ้นมาแบบมาง่ายออกให้คนมองเห็นได้ทันทีและมันมีเกลียวลับอยู่ขึ้นมาหมายออกดังนั้นพระพุทธเจ้าไปเทศไปทำที่ใดนั้นเมื่อผู้ใดได้ตั้งใจฟังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรม หรือได้กระแสพลันผ่านพนวายอย่างนันเพิ่ะยังอุปมาไวหลายอย่าง <c oughs> ดอกไม้ทุกประเภทที่เป็นดอกสีดำสีแดงสีขาวหรือสีสิ้สีมุยยนันก็ตาม่นเปรียบไปคือดอกบัว้อมแล้วที่จิบานได้ต่อเมื่อแสงแดดหรือแสงตะเวน แสงพาทีติดซองออกมาเมื่อแสงแดดแสงตะเวนซองออกมาแล้วดอกไม้นั้นกระบานได้อันนี้ก็คือกันวิธีมาเจริญวิปัสสนานี่ก็คือกันถ้าเอาซีจุดลงไปจุดเดียวเท่านั้นเราจะมาทำจุดเดียวเท่านั้นพร้อมแล้วที่จะทำได้ทุกคนแต่เมื่อเอาดได้ซีจุดสาคัญมันมา เขากระง ม, มกันยวนสัน้นเลยบูมู้จักความจริงทุกๆคนต้องการความบ่มีทุกข์แต่ว่าเขาบูรู้จักวิธีดับทุกข์เท่านั้นและวันนี้เขาละอยากได้ไปดีเขาบูรู้จักข่มสัวเขาไปเข้าใจว่าข่มสัวนะั่นเป็นของดีซะเมื่อเขาบูเข้าใจว่าของสัวแล้วคลายๆคือหอย่องางไปตามถนน บนทางหรือตามไปบ้านของเลี้ยงปิดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมาถ้าหากเขาบ้าได้เบิง้งเขาเบิ้งตีนเห่ายางไปเขาไปเยียดเอาของขี้ไก่ขี้ปิดขี้หมามันก็ะหมิน่นเมื่อมนหมิ่นแล้วมัก็ต้องการของหมิดอย่างนั้นมันก็ติดตีนเข้าไปเขาก็ไปล้างเมื่อไปล้างออกบางที มันกิดมันก็นยังติดอยู่มันก็เมื่อมันติดแล้วมันแทรกซึมเข้าไปภายในเนื้อหนังของเขาอันนี้ก็คือการคนเขาบูร้องการของตัวแต่เขาบูได้รู้จักว่าของส่วนอยู่ใส่ข้มูลตัวนั้นคือควอมลหลงผิดคือลงตัวเขานี่เองลงบมเห็นชีวิตจิตใจของเขานี่เองโมเห็นในขณะที่จิตใจเขากําลังนึกกําลังคิดนี่แหละ เมื่อเห็นจิตเห็นใจของเขากำลังนึกกำลังคิดอยู่นี้อันนี้แหละเป็นว่าเห็นธรรมเห็นธรรมส่วนลึกเห็นธรรมส่วนกลางเห็นธรรมส่วนละเอียดเป็นว่าอย่างตนเพื่อยังว่าว่าอีกคือบทหนึ่งว่าศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหนาสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดอันน เราเคยว่ากันแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เคยว่าให้ฟังกันสิบัด น, นี้เราทําบุญให้ฐานรักษาศีลกําจัดกิเลสไในบ่อ เ, เป็นบุญแล้วอันะแต่มันจัดการกับกิเลสเรานีโบได้ทุกทุกคนได้เคยทําบุญเคยให้ฐานเคยรักษาศีลมาแล้วอันนั้นมันโบแมนมันโบแมนอันนี้อันนี้มันโบแมนอันนั้น อันนั้นมันเป็นเพียงสิ่งธรรมเท่านั้นอันนี้ไม่เป็นการปฏิบัติธรร ม, มครัำว่าปฏิบัติธรรมกับสิ่งธรรมนี่มันต่างกันอันนั้นก็เป็นบุญยูเป็นกุศลอยูแต่มันหักจัดการกิเลสอันนี้โบไดอันนั้นเพื่อจะว่าเป็นเพียงสังคมเท่านั้นซื้อการทําบุญการให้ทานการรักษาสิ่นั้นบวกคือกันบางบ้านเหตุอย่างหนึง่ง บางอำเภอบางจังหวัดเฮ็ดไปอย่างหนึง่งโบกคือกันแล้วจะอีกในระยะหมู่บ้านเดียวกันนี่ก็ ต, าตา่างๆเฮ็ดโบกคือกันอันนั้นเป็นเพียงความคิดเห็นอยากเฮ็ดนั่นจะเฮ็ดไปเฮ็ดไปตามความคิดเฮ็ดไปตามต้องการคล้ายๆคือเขาอยู่ในถ้ำนี่แหละเขายักย่างไปใส่กระย่างไปเขาบ่าได้เห็นถ้ำเนื้อามาเห็นเห็นด้วยข้มมือ อาใส่ไฟใต้ไปซั่วข่าวเท่านั้นในขณะที่เราทำบุญเนี่ยทำแล้วก็ดีใจยูน้อยเดียวเท่านั้นหรืออุปมาเหมือนกับน้ำแข็งที่ทำให้เป็นก้อนมันกับเป็นก้อนอยู่น้อยเดียวเท่านั้นเราที่มาปั้นน้ำให้เป็นก้อนนั้นมันเป็นไปได้ยากที่มาสาวลมให้มันเป็นก้อนก็เป็นไปได้ยากจับโบทูกจับลมโบทูกจับน้า เที่ยงเป็ว่าถุหักโอยู่นานได้ดังนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้านะั้นจึงเป็นสิ่งที่ลึกลับละเอียดที่สุดลึกลับละเอียดที่สุดผู้ที่มีทุลีในตาหรือว่ามีความตั้งใจสนใจอยกนําไปปฏิบัติเพื่อแก้ทุกนั่นกระฝังได้ถ้าหากว่าเขาบิต้องการไม่มีวความสนใจ ยากนาไปปฏิบัติเพื่อแก้ทุกนั้นทางธรรมะคําสอนของพระเจ้านั้นจะเข้าใจงายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ให้ฟังได้งายเพราะมันมองบ่เห็นตุลเห็นตคนเฮาจึงว่าทําได้แต่เฉพาะที่มีตุลมีตที่เห็นทูกเถิดที่เห็นด้วยตาจับทุกด้วยมือเท่านั้นส่วนลึกจริงๆคือจิตใจตัวชีวิตของเฮาเนี่ย เขาบ่าเคยได้เบิง่งบ่เคยได้เห็นเมื่อมาเห็นมาเข้าใจแล้วมันเป็นสิ่งสิ่งที่วิเศษหรือว่าอัศจรรย์คำว่าอัศจรรย์นี่ก็หมายถึงสิ่งที่บ่เคยมีบ่เ ค, เ, บเคยเห็นบ่เคยเห็นบ่เคยหูมันเป็นอยงนี้เขาที่ได้เอาเรื่องคําสอนของพระเจ้าที่เขานํามาปฏิบัตินี่แหละไปเผยแพร่ ให้คนที่ยังไ่ทันรู้ น, นั้นได้รู้คนที่โบเคยเห็นมันได้เห็นคนที่โบเข้าใจนันจะได้เข้าใจและคนผู้ที่ยังหมดสนใจกับขุมมองมีนั้นที่โบเคยเห็นมันได้เห็นคนที่โบเข้าใจนันจะได้เข้าใจและคนผู้ที่ยังบมดสนใจกับกขุมมองมีนั้นเป็นสวา่า ตามทางต่อยไปแต่ต้องต้อยไปเพื่อนกว้างเพื่อนโบนได้เอาไปเมื่อสุขุนพุทธเจ้าก็คือกันในสมัยพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่นั้นเพื่อนกว่างให้ฝั่งสามความเข้าใจสามความรู้สามความเห็นเพื่อนได้เห็นจังใดเพื่อนก็นํามาเว่าให้ฝั่งจังสันเพื่อนได้รู้จังไดเพื่อกนก็นำมาว่าให้ฝั่งจังสัน ย่ำนั้นพวกเขาก็คือกันต้องพยายามฟื้นฟูเอาคำสอนของพระเจ้านี้ออกมาเผยแพเ่เดี๋ยวนี้มีคนเผยแร่คำสอนของพระเจ้านั้นเข้าใจน้อยโบได้เข้าใจหลายแางคนไปสวยจับเอาคำสอนของผีและที่ของผีมาเผยแพราว่าแม่คำสอนของพระเจ้าซัก บางคนไปสวยจับเอาลทัทธิของพราหมศาสนาพราหมนั้นมาเผยแพร่กระหวแม่คําสอนของพระพิจ้าซักบางคนไปสวยจับเอาลทัทธิของเทวดาคําสอนของเทวดานั้นมาเผยแพร่กระหวแม่คําสอนของพระพิจ้าซักบัดนี้คนที่ปฏิบัตินั่นก็เลยจับต้นต้นฝ่ายโบได อันไี้ก็ว่าไม่คำสอนของพระพุทธเจ้าทาั้งหมดๆๆเราที่เห็นกันง่ายๆเดี๋ยวนี้เนี่ยมีอาจารย์ผู้รีเศพปลุกเครื่องรางของขังปลุกตะกุดบ้งางเสพตะกุดบ้างปลุกพ่ปลุกเหรียญขึ้นมาเอาไปแขนคอแขนแอว แล้วสันโบเข้าปืนยิงเออโบออกเข้าใจไปแล้อันนั้นมันเข้าใจผิดจำพวกนี้สอนสอนกันมาผิดนรืฟังมาโบทูกจำมาผิดมาสอนก็นเลยผิดเมื่อมันผิดแล้วมันที่ถูกบอสมันก็นบอทูกแล้วบางคนสอนให้ไหว้ผีปัวผีบวงสวงผี ในสัตว์นี้บางคนสอนให้ดูลึกดูยามลึกดียาม ด, ามดีจึงเห็ดจึงทำลึกบูดียามบูดีอย่าเหตดอย่าทำนี่สอนไปอย่างต่ น, นบางคนต้องไปอ้อนวอนขอร้องจากเท ว, วดาให้มาซอยแก้ไขปุดเปื้องซึ่งที่ตัวลายนั่ออกไปนี่สอนก็นไอย่างต่ออันนั้นโบเม่โบแมงคำสอนของคริจ้า สอนให้ไรว้พี่กระบวนําสอนเขาเรียกแ้าอันนี้มันมีอยู่ก่อนแล้วมีอยู่ตั้งแต่ใดแล้ะอันนี้เป็นว่าความคิดเห็นทายทายเป็นคนอยู่ในถ้าอย่างที่บูกแล้วเราใต้ไฟอยู่ในถ้าความมืดมันหลบมายู่บนม อ, มอหันมันบุรีไก่ไก่พอดีไฟมอดตั้งความมืดขึ้นมาแทนตั้งเขาออกจากถ้ำบไรีบ้านี้เขา อ, ออกจากถ้า ทำมาอยู่นอกธรรมผีมองเบื้อไในธรรมเห็นความมืดของธรรมแล้วไปเห็นรูปร่างของธรรมว่ามีเนืปิดใส่บางของเห็นเมิดแปลงที่อันนี้บุมคลเห็นอย่างแบบที่ทรงแบบนั้นดังนั้นที่นำมาลอยส่งนี้เพื่อทำให้เข้าใจไปปฏิบัติให้มันเข้าใจอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้นั้น เธอว่าเขาผู้หนึ่งเป็นลูกติดของพระริเจ้าเมื่อเขาเห็นตามแนวพระริเจ้าแล้วผี่กระบอต้องกลัวเทวดากระบอต้องกลัวเขาเคยได้ยินอยู่แล้วเขาสวดธรรมาาวิชาธรรมวิญ่ะพระพุะริเจ้านะั้นเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่ที่ว่าภาษาไม่หยาดเฉียด เทวดากันยังเป็นครูหระริเยาเป็นเทวดารับเปิดเป็นครูของเทวดาเจ้าเทวดานะ่ะก็บวเห็นตนเห็นโตคง ว, ว่ายู่ใสหูบูหูจกักอันนี้เขาต้องใสความคิดใสสติใสปัญญาคนทามันมีตามีหูตาไว้สำหรับดูหูไว้สำหรับฟัง ก็มุกหรือดังเฮานี่ก็ไว้สําหรับดมเหม็นมันไม่มันเหม็นมันหอมเฮาก็จะได้รู้จักเห็นนัก็เห็นทั้งของดีและของตัวหูเฮาก็จะได้ฟังทั้งของดีและของตัวดังเฮามีจะได้ดมของดีและของเหม็นเฮาจะได้รู้จักนะท่นฉะนั้นคนเฮาเมื่อบรรยาใส่สติปัญญาแล้วก็ทําไปตามอารมณ์มุกเดียวเท่านั้นผิดหลด เมื่อผิดแล้วมันแก้ไขได้งายมือแก้บดได้เสียเลยถ้าหากคนรู้จักว่าตัวเองทาผิดรับฟังแก้ตัวเองนั้นคืออ น, นันเพื่อนบัณฑิตเพราะว่าโบาเคยได้ยินโบเคยได้ฟังและโบเคยได้คิดอย่างนี้เมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วกลับมาคิดปรับปรุงแก้ไขตัวเองนั้นเพืเอ่อินว่าบัณฑิตโมเม่นต์ปุถุสน คนบางคนได้ยินได้ฟังแล้วอย่างทีทพระบุตรเจ้าเป็นเราเห็นทลุไปเลยเพื่อนเอิ้นผู้ทุศน์โบกฟังเมื่อบอกฟังแล้วก็โบกแก้ไขตัวเองคนผู้นั้นฟื้นว่าอย่างบุษรีในป่าหือดอกไม้โบศามาทิจย่าบานได้เป็นวาจังไงเพียงมาไว้ดอกบัวสี่เราเปียกไว้เ่านึงนั้นทนน้ําขึ้นมา ปล่แก่แสงพาธิติบาญอยู่เล่านึงนั้นแสงพาธิตมาซ่องหลายมือแล้อย่างบานได้เหล่านึงนั้นยังเกือน้ำอยู่เล่านึงนั้นยังเป็นอาหารของปูปลาเต้าเป็นแสงเป็นว่า่องนั้นเราฟรังนี่ก็ต้องตั้งใจฟังฟังแล้วต้องตั้งใจนําไปปฏิบัติ การปฏิบัตินั้นต้องปฏิบัติที่ตัวของเท่าอย่าไปเสื้อคำสอนเขาเอามาสอนอย่างเพ้อฝันไปนั้นอย่าไปเสื้อจังหปืนยิงโบอ้อนิตรโบเฮาถ้าคุณพระเพิ่นสอนด้วยสติปัญญาวะเพิ่อนบแม่เามาสอนที่ไปสอนแบบนั้นเขาเห็นว่เดี๋ยวนี้เนี่ย บ้านเมืองเหายิ่งเดือดร้อนขึ้นมาเพราะเรื่องสารปุกเสษตะกุดนี่แหละเมื่อมีพระแร้วกประหาข้าหาพุ้นหาจี้หาลักหาขโมยกันซุกซุมขึ้นมาผู้ไอ้ขโมยกินเหล้ากันเล่นการพนันกันนี่อันนั้นมันเทศพระบริเจ้าวา่า เพื่นสอนบอกว่าอันธพ า, านเกิดขึ้นแล้วอย่าเข้าไปเขาพิดเขาเทียมกันนั้นเพื่อนเอิญอันธภ า, านเกิดขึ้นอย่าเข้าไปในวงสังคมนั้นเพื่นว่าเพื่อนว่าอย่าเข้าไปได้เพื่นว่าบัเป็นฝันวกเขาเลยโบให้เขาเข้าไปให้ไปหาในวงสังคมอันธพ า, านเขากําลังผิดกันยินเล่าอยู่จกต้อยกันนั้นอย่าเข้าไปเพื่นสอนอย่างนั้น คนปลุกคนให้ตื่นขึ้นมาทีเดียวผมไม่ไปปลุกตะ ก, กุดผมไม่ไปปลุกเปลี่ยนสันอันนั้นมันเพลสันไปซื่อๆ อ, อย่านี้คนบ่มีตากระวไใดคนบ่มีหูกระวะใดคนบ่มีดังกระวะใดมีอายุตาหูดังมีอายุแต่มันคนบ่ทนันมีปัญญากระวไใดปืนยิงบอ่อกคุณวางมันเขายิงกันอยู่ทางพุ้นอันธพาลเกิดขึ้นแล้ว เขาค่ากันแล้วเขาเืนยิงกันยยาออกไปคนบอกต่างค น, นสอนต่างเขาก็ต้องเอาไปปลุกเศษไปเศกเป็นตะปุดไปเศษพระในน้อยแขนคอให้แล้วเข้าไปโหลดตายอันนี้มันสอดกับผิดและมันฟังมาผิดคนมันฟังผิดแล้วมาจิบปฏิบัติถึเกเพราะหนังกระโบสถึกแล้ว คนฟังมาพูกปฏิบัติก็ถูกแล้วเฮาก็เคยได้ยินยุพระพุทธเจ้าเป็นสอนมาว่ า, าศาสนาคำสอนของพระตถาคตของพระพุทธเจ้านี่จะเจริญหรือเสื่อมไปก็ต้องอาศัยบริษัทสี่ถ้าหากจะเจริญกับบริษัทสี่นั้นฟังถูกต้องและปฏิบัติถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่าศาสนาของ พระพเจ้าก็จเจริญมั่นคงต่อไปบันนี้จะเสื่อมหรืออันตรทานหายไปนั้นก็ต้องฟังมาผิดจํามาก็ผิดไปปฏิบัติก็ผิดคําผิดแล้วนะั่นคือว่าเสื่อมไปหมุดไปนี่วางสันบันนี้คําสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันจเจริญผู้ใดได้ปฏิบัติตาม คำสอนของพระเจ้าแล้วเจริญมัน่นคงแข็งแรเฮาเอาพระไปสวดบ้านเฮาเฮาทำบุญทุกครั้งทุกข่าวนี่มุนเอาพระไปสวดเพิ่งจะไปสวดและมันเป็นภาษาบาลีเฮาก็เลยบอกเข้าใจเมื่อเฮาบอกเข้าใจนั้นเฮาจีสือว่าขังสักติดบอมันบกขังมันบกสักติดนี้อย่างแล้วขอว่าเฮาบอกเข้าใจเด็ก ต่อเมื่อเหาเข้าใจพุทธเนยมันยังขังมันยังสักติดเนี่ยพระเพื่นสวดว่านะโมตัสตะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วก็ื่อก็สวดพุทธังธรรมังสั่งขังไปแล้วเพื่นก็สวดโยจักภูมานะโมแพทอาเสบนาไปตลอดถึงกัยันโตเป็นอย่างไรเพื่อนก็ว่ามันเป็นสิริมงคล แต่เป็นภาษาบาลีเขาเลยบูมู้จักมันเป็นยุคคาพูดอันนั้นเป็นภาษาบาลีเขาต้องแปลมันสะกคนอย่างนโมตัสสะพระครวตโตอรหะโ ต, โตสัมมาสัมพุทธสานี้เขาคิดว่ามันขังไปฝุกเซกอันนี้นได้บอกโบเนเมื่อมาฟังแล้วแปลแล้วนโมตัสสะพระครวะโตแปลว่าขอโนบน้อมแด่พระผูผ้มีพระาคยพระองค์นั้นอรหะโต แต่ว่าพวกไก่จักกิเลไสไก่ไจักฆาดศึกไกจักอันตรายสามมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้าเป็นเห็นจยงสั้นรูอย่งสันงส้นเขาก็ได้ยิงอย่างสัน้นได้ฟังอย่างสั้นมาเขาก็ต้องปฏิบัติจังสัน้นตามแนวคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นจึงมาเป็นผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าขันไกจักกิเลสกเ็เขาเอาปืนยิงกันเขาปั่นเขาแทงกัน เขากินเหล้าเมาสุราเล่นการพนันเขาอยากไปไกลเขาอยากไปไกลอันนี้ไกลาจากกิเลสอะกิเลสมันอยากไปมันเขาต้องไกลาจากกิเลสจันสิต่อมาเขามาฟังพภาคตัวตัวพุทธังสารนักสามีพ้ า, า, าพระเจ้าคืออภรรยาเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งกําจัด ไ, ไดดดัได้จริงนี่ขณะเสื้อฟังคําสอนของพุทธเจ้าแล้วกําจัดทุกกาจัดไัได้จริงในเท ทำมังสนักสารมิ้าพระเจ้าสื่อเอาพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งกําจัดไทยได้จริงเราเสื้อฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วกําจัดไทยได้จริงฟรงางคังสนักสารมิคาพระเจ้าสือเอาพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งกําจัดไทยได้จริงเฮาโบเสื้อเึ่งกําจัดไทยโบไดเฮาโบเสื้อกับว่แม่เฮาโบเข้าใจเฮาโบหู้จัก ที่ไปสวดให้เขาฟังนะเขาบอกบูมุจกักจักเพิ่งกิเลสได้ บ, บ่หรือเพิ่งบูได้ บ, บ่หรือเพิ่งบูมุจักเพิ่งบูมาบอกให้เขาฟังเขาก็เลยปฏิบัติบูมุจกักเพราะเขาบุเคยได้ยินอย่างนี้เพิ่งมาสวดโยจักขุมาบรเด็นโยจักขุ ม, มาโมหะมาลาปะกโทสามาังว่าพุทโธสุกสุยมุตโตมารัสสาปาสาวิธิโมจากันโตปาเปสิเคมังสนัตังเวเดยอย่าง อันนี้ก็เป็นพระจาบาลีเขาบูมู้จักว่าวาสเลห์เขาบูมู้จักเมื่อแปลแล้วว่าโยจักคุ ม, มาโมหะมล า, าปะกะโทแปลว่าท่านพระองค์ใดมีพระปัญญาจักสุ ข, ขจัดมนทินคือโมหะเสียแล้วโมห์แปลงว่าความหลงผิดคุณว่ากาจัดโมหะนี่ออกไปได้แล้วสามังว่าพุโทโธสุขตุยมุตโตแกเมื่อเขาจัด กับโมหะได้แล้วไปออกผู้สเสด็จไปดีแล้วคือไปดีมาดีบ่สนหลักสนต่อนบ่ตกบ่บ่ตกหลุมไปนํำบนแจง้งเอาออกจากธรรมใดออกจากธรรมนีหมายถึงออกจากความคิดอันมันกําลังนึกกําลังคิดนั่นเลยอันทีเทาอยู่นี่อันนี้แดี๋ยวออกจากธรรมคนเราจึงว่าเห็นความคิดของตัวเจ้าเคือ เกิดมาแล้วจนตายบางคนบ่เคยเห็นผมคิดตัวเองจากเถื่อบางคนว่าหู้จักคิดว่าเห็นคิดมันบ่เห็ น, ม, น, หนมันเห็นอยู่ในธรรมมันรู้อยู่ในธรรมมันจึงเด็นไปตามอํานาจของกิเลสดังนั้นพระพุทธเจ้าควรจึงสอนเอาไว้ห้เขาเห็นจริงๆให้เขารู้จริงๆเขาว่าเห็นเขาโมลูแล้วมันจะเป็นการปฏิบัติพาดผิดไป เพรานั้นทําบุญให้ฐานรักษาจิตมันจึงว่าถ้าเฮ็ดผูกจึงเป็นบุญเป็นกุศลเป็นจิตเป็นธรรมถ้าเฮ็ดผิดแล้วมันว่าเป็นบุญมันว่าเป็นธรรมมันว่าเป็นจิตมันเลยทีบ่าได้บุญมันเป็นยังไงบุตรคนมาสวดอเสบนาจะพาลานางปันดิตา น, านจะเสบนาภูษาจะภูสานิญหานางังเอตัมมังคัลมุตตัมมังอันนี้ก็เป็นภาษาบาลี เขาเข้าใจเขเข้าใจเขาก็าาากามันพังมันจากติดไล่ทีไล่ไลเขาะเข็นเวรกรรมได้เขาเข้าใจอย่างนั้นแก้ความจริงมันกับแนว ย, ยุทธะเขาเข้าใจถ้าเข า, าบอกเข้าใจได้มันไล่บอดได้อาเซบนาจะพาลานาะงเพิ่นแปลว่าเราจะไม่พบคนผานเราจะไม่เสพคนณทานเราจะบวทําทไปกับคุณทานเป็นว่า ที่บูเซ้าคนฐานเว้าคนวะคันเขากินเล้าเขาเล่นการทันนั้นสู้ปิ้นกินกันซาผิดผิดกันเที่ยงกันเอามีดเอาผ้าฝันกันเอาปืนยิงกันนะ่ะเม่นคนทานหรือเม่นบัณฑิตอันนั้นพระพุทธเจ้าว่าคนทานอย่าไปคบมันคนแบบนั้นเป็นไว้าาสั้นๆปัณฑิตานในจ่าเสบันา น, น, านาคนที่บู ก, กินเล้า คนที่โบเล่นการพ น, นันคนโบผิดโบเถี่ยงไทยยูดีจินดีเนะี่คนเอื้นวันบัณฑิตกปูซาจะปูซ า, านี้หยาหนังเราจะปูซาสิ่งที่เป็นประโยชน์โบไปปูซาผีโบไปอ้อนรอมขอรองจากผีผี่ก็คือคนทาตัวนั่นแหละถ้าพูดกันตรงๆแล้วก็คือคนทําตัวพูดตัวคิดตัวเนี่ยเอื้นผี ท่นคนว้าววดีพูดบริบักผีท่นเป็นผู้สายท่นเป็นผู้หญิงเราเออีผีเนี่ยทีนันก็คือคนทํำตัวปูตัวนั่นแหละ ย, ย่าไปคบมนันฟันเป็นวายอย่ังไคนพูดดีทําดีแบเนี้ผู้นี้ก็ไม่คือเทวดาเนาะใจดีคือพระธรรมเนาะเนี่ยเขาว่าเขาโบ้หูจักคําเล่าของเขามันเป็นสมมุติแท้ว่าไม่เป็นของจริงเราต้องศึกษามันติดแจ้งรู้จริงจังสิ พระบุญเจ้าคุณสอนจังสันดังนั้นเฮาปูซาบุคคลผู้ที่มีคามีคุณมีคุณธรรมเราจีบ่า ท, ทาผิดว่าพูดผิดกลนว่าปูซาจะปูส า, า, สานิ่งานไหนเอตมังคะละมุตตะมังเป็นสิริมงคลแก่เ ข, ขาเฮาจีได้เชื่อฟังคําสอนของพระเจ้านั้นเพราะว่าเป็นสิริมงคลบ้เน้นที่เอาพระมาสวดแล้วเป็นสิริมงคล อันนั้นกับเมนยูแท้เหาบอเข้าใจแล้วมันสิผิดไปเป็นมาจังสันนั้นชื่อว่าเข่ามาเจริญวิปัสนาน่จเจริญเพื่อความเห็นแจ้งความเห็นแจ้งกับความสงบนั้นมันจึงเป็นคนละอัน ก, นการทําบุญก็ดีให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีจเจริญสมาธิสมาธิก็ดีจเจริญวิปัสนากรมาธิก็ตามถ้าบ่มาทําความรู้สึก จิตใจกําลังนึกคิดนี้ซื่อว่าเขาเยังบุกเข้าใจคำสอนของผูุดีเจ้าอย่างลึกซึ้งเขาจีว่าเขาได้ทําบุญให้ฐานยี่กระตำซางหรือว่าเขาจีได้รักษาศีลทำกรรมาฐานยี่กรตาอย่างบทันรูสรับซึ่งตามความเข้าใจของผมเป็นอยางครับก็เมื่อคนพูนั้นเขาที่บุกเคยเข้าวัดกระตำซางบุกเคยฟังธรรมกรต่าบุกเคยรักษาศีลกระตำซาง ก็คนผู้นั้นเนี่ยเขาทำความรู้สึกกับจิตใจเขานึกคิดอยู่เขาเห็นแย้งอยู่เหมือนกันคือว่าผู้นั้นเนี่ยเขาใกล้กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระพุทธเจ้ากับวัดใดเขาเคยได้ยินเพาะว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราจะจับสายจีวรหรือนิ้วมือของเราอยู่กับซึ่งว่าผูเห็นเราเลยเนี่ย อันเห็นธรรมนั้นอยากเข้าใจว่าเห็นสีเห็นแสงเห็นทีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์อันนั้นเป็นการเพ้อฝันซื่อๆมันโบแมนอันนั้นเห็นธรรมต้องเห็นตัวเขากําลังทํากําลังพูดกําลังคิดอันนี้เห็นส่วนหนึ่งเห็นกําลังจิตใจมันนึกมันคิดนี่แหละเป็นว่าเห็นธรรมส่วนลึกเข้าไปอย่างสึมันทีไประงับกลมโคตรกลมโลกกลมหลงได้ ดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าเป็นการลึกแจ็กระบลึกถ้าฟังเป็นแล้วนำไปใส่โบโลึกเฮ็ดเอาง่ายๆ่าการเจริญนิปปัตนานามาศึกษามาเจริญสติทำความรู้สึกพระพระทุทธเจ้าก็จึงลาไว้ว่าผู้ที่เจริญสตินั้นน่ะมีอานิสงส์มากกว่าทั้งสั้น แล้วเราก็ได้เรียนอยู่แล้วหลักสูตรนักทมทันตีนั่นบอกไว้ว่าทำมุ่ดต้นอิสระด้วยดีนะขึ้นมาว่าทำที่มีอุปกรณา์มากสองอย่างหนึ่งสติขมระลึกได้เนี่ยสองสัมตาสัญญขมรู้ตัวเนี่ยอันสติขมระลึกได้เนี่ยครูบาอาจารย์เอามาสอนกันอยู่่สติขมระลึกได้ ในการทำการพูดการคิดเป็นวายสำปาจะญญาความรู้ตัวในการทำการพูดการคิดเป็นวายครับหรือว่าค่อนทำคนพูดคนคิดเป็นกวา่วาแต่นี้ยแต่เราซือ้อตัวเองของเพิ่นกันยังางโบเคยรู้ซ้ำกับเป็นได้หรือเพิ่นจีรู้กับโบรูาจา้จักมันเราซือ้อวิธีเฮ็ุทำไเหตุยังใดมันต้องรู้จักวิธีเข้าไปสิเด่นหนึ่ง ว่าเมื่อี่พูดได้ตื่นๆนี่นะพูดได้นั้นมันอย่างบริันได้อามาปฏิบัติมันต้องเอามาปฏิบัติต้องล่อหลอบลงไปสมมติว่าเหล็กแทง็งที่เอามาเป็นมีดเป็นพาสันได้บอกมันเป็นเหล็กแท็งอยู่เป็นก้อนแข็งก้อนแข็งเหล็กอยู่มันบดได้มันต้องเอาไปล่อไปหลอบให้เป็นมีดเป็นพาเป็นขวานเป็นจกเป็นเสียมนี่จะเอาไปใส่ได้สามหน้าทีของมัน ดังนั้นการปฏิบัติปตัตนานี้ขมัดเจริญสตินี่จึงรู้จักไปตามหน้าที่ของมันเมื่อเฮาบรู้จักตามหน้าที่ของมันแล้วก็ใส่ผิดรูปแบบคาสอนของพระพิจ้านั้นถ้าหากว่าใส่เป็นนั้นมีประโยชน์ถ้าใส่บริสิทแล้วเอาไปเรียนไปทรงจําแล้วเอาไปอ้วดกันยกบาลมบาลีสับแสงเจ้าเรียนน้อยค่อยเรียนมากนี่ อวดดีกันนะโบเมนอย่างสันคำสอนของพระพุทธเจ้านะั้นมีมากถึงแปด0มื่นสี่พันพระธรรมคัมร์ธรรมะขัน์ก็ตา่างมีไว้เพื่อเรียนแล้วจำได้เอามาแก้ทุกนี้เองมีไว้เรียนแล้วเอามาเพื่อละบนไม่จีเอามาเรียนแล้วเอาไปหาสแสวงหาลาภหายอดหาซื่อหาเสียงโบเมน เพิ่นให้เห็นเพิ่นให้จำแล้วเอามาเป็นเครื่องมือไว้แก้ทุกข์ละทุกนี้ให้มันง่ายเมื่อแก้ทุกข์ละทุกได้แล้วทาการทํางานเพื่อขายหาอยู่หากินนั้นจีบวัวมีทุกเพิ่นสอนจยงสันบัแม่เมื่อคนหูจักธรรมะแล้วจีบวัวหาเงินหาทองบวัวให้เวียดให้การนั้นบัแม่อ น, นันญาเข้าใจจยางสัน คำว่ากิเลสนั้นบุได้หมายถึงเงินบุได้หมายถึงรถบุได้หมายถึงเงินบุได้หมายถึงใครถึ ง, งานากิเลต น, นหมายถึงข่มโก้ข่มรวบว่มหลงข่มพิดซาลิษยาดเบียดเบียนคู่อื่นเนี่ยกิเลสอ่ะอันทําการทํางานมีเงินมีคํามีรถมีเกียร์นั้นเฮ็ดด้วยข่มขยันขันแข่งรู้จักเก็บน้อยประสมให้มา เก็บบ้าทนึ่งว่าเป็นสิบ้านสาวบ้านเก็ตรโบเป็งคันเก็บบ้าทนึ่งเป็นมีสิดมีสาวมี้อยมีพันเก็บเต็นเขื่อนสอนจังสันสอนให้คนทุกคนทำการทำงานสามนาทีพ่อแม่ทำงานทำการสามนาทีลูกทำการทำงานสามนาทีครูบาอาจารย์ทำการทำงานสามนาทีเน้นต้องทาการทางานสามนาที ยนยกตัวย่างไปไกลๆก็เรียกว่าครูต้องทำการทำงานตามหน้าที่ของครูนักเรียนก็ทำการทำงานตามหน้าที่ของนักเรียนตำรวจทำงานตามหน้าที่ของตำรวจทหารทำงานตามหน้าที่ของทหารข้าราชการทุกคนทำการทำงานไปตามหน้าที่แล้วอันนี้แหละเป็นมาบ้านเมืองสงบเย็นยู่โดยที่ปล า, ากรจาดขวมทุก เฮายินดีการงานของเขานี้ยากไปยินดีการงานของผู้อื่นเพรานว่าทํางานเพื่องานาไม่ได้ทางานเพื่อเอาทํางานตามหน้าที่อันนี้คนเขามันบกเข้าใจอย่างต่นทํางานอันใดก็มีแต่อยากได้อยากเอาขันอยากได้อยากเอามาันก็ทํางานใต้กิเลสแล้วกิเลสบังขับเนะ่ยมีความทุกข์เมื่อเขาตั้งโครงการไปแล้วแบบนี้ เอาชีว็ตอันนี้เมื่อมันบทได้โบสุม่มบางเป็นทุกย่าไปคิดอย่างตามเอาทำไปตามหน้าที่สมมุติเราเหาอยู่นี้ <c oughs> เอามาเจริญนิปปสนาเอาต้องเจริญรู้บูรู้ บ, บูจักแล้วเพื่อนบอกแล้วก็ต้องฟังเพื่นบอกว่าเดินจมกลมกต้องเดินจมกลมเดินจมกลมเพื่อสร้างสติให้ ทำความรู้สึกในน้อยเนี่ยมันเคลื่อนไหวพลิกมือขึ้นข่ว้วมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงสายเอียงหัวพิบตาอ้าปากกินน้ําลายพานลงไปในลำคอนี้รู้สึกตัวทัว่วพรออันนี้คนเอินน่มมีสติทุกสติอันนี้เนี่ยให้มันเห็นให้มันรู้ มันเข้าใจทำควมคุ้มคุ้นเคยกับอันนี้นี้บัด น, นี้ใจิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมาให้เขามีสติคอยจ้องมันยู่คือแมวกับหนูนี้มันนึกมันคิดขึ้นมาเห็นรู้เข้าใจความนึกความคิดแล้วมันจะหยุดขึ้นมาทันทีเมื่อมันหยุดแล้วมันบมดคู่ครุ่นใส่นเรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจสมุปบาทได้เพราะเอื้อนวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปใจใัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปใจใัจจัยเกิดผัสสะเรทนาไส้ตามเรื่องมนันเลยบ้างจึถ้าเป็นทุกโสกตาพฤติเทว่ทุกข์ว่ญญาสุขว่ามันเป็นยังไงมันนี่เฮามาเห็นมันนึกมันคิดเฮาเห็นเฮารู้เฮาเข้าใจมันยุบ พุ่งจิงะอาวิชาเป็นปัจยัยเกิดสกันมันมัมีอวิชามันมีวิชาบ่นหรือซาไปว่าการเห็นแจ้งันนั้น อ, อวิชาไปว่าไม่รูบอแมนอันนั้ น, นอันนั้นเป็นควมรูอันหนึ่งวะอวิชาคือเขาพุ่เห็นจิตพุ่เห็นใจเขาเนี่ยส่วนลึกเนี่ยวิชาไปว่าเห็นจิตเห็นใจเขาส่วนลึกเนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้แหละมันเป็นต้นเหตุของบุญเป็นต้นเหตุของกุศล เป็นสมุทฐานของมันต้นเหตุมันอยู่นี้ค <c oughs> วามทุกข์ความร้อนมันอยู่นี้เฮาต้องศึกษาไปตามคําสอนของพระเจ้านี้เมื่อเฮาบวเหตุบนนี้แล้วเฮาจีบวเห็นต้นเหตุสมุทฐานของทุกข์บวชเห็นต้นเหตุสมุทฐานของบุญมันตรงข้ามกันอยู่นี้มันมีมืดกับขาวมันมีมืดกับแจ้งมันมีขาวกับดาถ้ามันมีดําแล้วข่วมขาวบวเหตุ ถ้ามันมีความขาวแล้วคมดําบนนี้ถ้ามีความมืดแล้วคมสว่างบนนี้ถ้ามีความสว่างแล้วคมมืดบนนี้ถ้าเขามาจับนี่แหละความหลงผิดแล้วบนนี้ความโกธความโลคความหลงนั้นบนต้องการที่ไปไล่มันมันโบได้หนีอันมันมีคือเพราะเขาโบเห็นมันบบเห็นกิเลสนี่เลย โบเห็นกิเลสนี่แหละเขาต้องการอยากลากิเลสแป่เขาโบาเห็นกิเลสมันก็เลยละโบได้กิเลสมันโบนี้ให้เขามาเห็นจิตเห็นใจเขาเนี่ยเมื่อเขาเห็นจิตเห็นใจเขาเนี่ยยู่ทุกขณะเวลาทุกระยะทุกนาทีทุกวิ น, นาทีเห็นอยืางซีเนี่อันนี้ซื่อว่าเขาฝึกได้อบรมได้ บันนี้เขาไปทำการทำงานมีผู้ใดผู้หนึ่งวายเขาคววมดีกระสร้างขวบุรีกัตามคววมเลวของสติที่มันจะทันควรเธแท้มันจะลิบเข้ามานี่ไว้เธอแไว้ก็เสียงไว้ก็แสงไว้ก็ไฟฟ้านี่อีกคือสติเรื่องจิตใจสติตัว น, นี้พม่ก้ารับรองยืนยันได้คำสอนของพระเจ้านั้นคู่อยู่กับโลกนี้ บ่ได้หนีจากโลกนี้ไปใส่ห้าห้าผู้ใดปฏิบัติได้จังซีผู้หันคือว่ายู่เหนือโลกบ่เมื่ียู่เหนือโลกนั่นขึ้นไปยู่สันฟาคุณบ่แมนยู่เนือโลกนั้นหมายถึงยู่เหนืออารมณ์หมายถึงยู่เหนืออารมณ์เฮาเคยสวดกันแล้ว